เดี๋ยวเราทำสมาธิกันสักพักหนึ่งนะาความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็าตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก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 ทำความรู้ปลอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้สงบประนับหายใจเข้าทำกายสังขารให้สงบประงับหายใจออก การเจริญอนาปานสติสมาธิให้เราตั้งจิตพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปรัตถาคตเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือต้องจับพอดีพอดี ดังนั้นพระองค์ให้เราวางจิตบริีพดีในการรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกไม่ให้กายเครียดครัดไม่ให้จิตเครียดครัดถ้าจิตเคลื่อนออกจากลมหายใจไปให้ละความเพลินอย่าให้จิตเพลินไปกับความคิด เป็นการคิดปรุงแต่งไปในอนาคตหรือว่า ล, ลึกไปในเรื่องอดีตก็ตามให้พยายามละความเพลินคือไม่ให้จิตนั้นผูกติดกับอารมณ์นั้นต่อไปแยกจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นให้ตั้งจิตไว้ที่ลมหายใจของเราเหมือนเดิม พระองค์ให้เราเป็นผู้มีสติ Kay. ไม่ลืมหลงในลมหายใจการที่จิตไปคิดเป็นนึกเรื่องใดนั่นเป็นการสร้างภพสถานที่เกิดของจิตซึ่งจะเป็นเหตุให้ชาติคือการเกิดและชลามรณะ ติดตามมารัตตาคฎตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดังรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วความเจริญงอกงาม ไปบุญแห่งบิญญาณย่อมมีการปรากฏขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อการปรากฏขึ้นแห่งพบใหม่มีชาติชรามระโศกปริเทวะทุกขะโทมานัตอุบายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนนี่คือเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่ง ความแก่และความตายพวกเราทั้งหลายล้วนมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นเบื้องหน้ากันทั้งสิ้นทำอย่างไรจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือการเข้าไปดับที่เหตุสาเหตุของความแก่และตายมีเพราะการเกิด สาเหตุของการเกิดมีเพราะมีสถานที่เกิดที่เรียกว่าภพพระองค์ตรัสว่าภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดไม่มีคุณค่าอะไรที่พอจะกล่าวได้ ถ้าใคลยังละความคิดไม่ได้ทั้งหมดก็ให้ละความคิดที่เป็นอกุศลก่อนความคิดในทางการทางพยาบาททางเบียดเบียนเกิดขึ้นมาแล้วไม่รับเอาความกรุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบัรเทาไปทําให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้น ถ้าเราจะคิดพิจารณามาตรถากคดให้พิจารณาใน3เรื่อง 1. พิจารณาโดยความเป็นธาตุสพิจารณาโดยความเป็นอายตนะสาพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปาท แต่ถ้าเราไม่คิดได้เลยนั้ น, นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าการคิดนึกแม้ครั้งหนึ่งก็คือการเกิดซึ่งพบชาติชลามรณะแล้วพระองค์ตรัสเตือนพวกเราทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่ม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 ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่หงอมแล้วชีวิตของเราริบหลีแล้วเราจากละพวกเธอไปสลนะของตัวเราได้ทำไปแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดําริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักรชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ก็ให้พวกเราทั้งหลายเพียรที่จะตั้งใจฝึกฝน ต่อต่อไปนะเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตก่อนออกจากสมาธิก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายัที่พระองค์ตรัสไว้กับวาเซ ต, ตะว่าเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์คืออกุศลทั้งหลายแล้วให้เธอทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิที่1ทึ่ทิที่2ทิที่3ทิที่4ี่ แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงจากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมาเป็นภาพเป็นที่แจกไปนั้นมีความสำคัญ เพราะเป็นปพุทธพจนะที่ตรัสเกี่ยวกับความสำคัญความสามารถของพระองค์ว่าพระองค์มีความสามารถในด้านการพูดถึงใครที่ไม่มีใครเสมอเหมือนก็คือพระองค์สามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดคำจึงไม่ผิดพลาดตั้งแต่คำแรกกระทั่งคำสุดท้ายและคำของพระองค์ ที่พูดมาตั้งแต่คืนตรสัสรู้ถึงคืนปริณิพานนั้นคำพูดไม่มีการขัดแย้งกันและคำพูดของพระองค์นั้นที่พูดออกมาเป็นอาักาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเป็นผู้เดียวในโลกที่มีความสามารถทําอย่างนี้ได้เป็นศาสดาคือผู้บัญญัติธรรมและวินยัยสาวกทั้งหลายเป็นแค่มักคานุ ข, ขาผู้เดินตาม ในพระสูตรนี้จะบอกไว้หมดนะว่าสาวกถึงแม้เธอจะเป็นพระอาหารหันต์ผู้ปัญญาวิมุตดนะก็เป็นแค่มักคคาุขาผู้เดินตามเท่านั้นและความเสื่อมของศาสนาจะเกิดขึ้นถ้าเราไปสนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือคำของสาวกนะซึ่งพระองค์เปรียบด้วยกลองศึกของกษัตริยนะ์ที่ตีไปในที่สุดก็แตก กษัตร์ก็หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตูวกลองก็หมดสิ้นไปเหลือแต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นลมก็บอกชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานหายไปของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตาตาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะดุเรนสุญตตาจัดมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ คนจะสนใจคาพระศาสดาน้อยลงน้อยลงมีคำใหม่มาทดแทนมากขึ้นมากขึ้นจนทั่งคาศาสดาหาไม่ได้ในโลกนั่นคือความสูญหายไปของศาสนาของพระศัพทธรรมคาสอนนะวันนี้หลักฐานยังมีอยู่ครบถ้วนแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ไม่ได้ถูกนำมาเปิดเผยจำแนกแจกแจงนะพวกเราทั้งหลายก็เลยได้ข้อมูลที่ บ้างไม่ถูกบ้างผิดพลาดคาดเคลื่อนบ้างนะอย่างที่เราเคยเรียนมาว่าพระเจ้าเห็นมนุษย์เปรียบเหมือนบัว4เหล่าแต่จริงๆแล้วพระตถ า, าคตตัดไว้เพียงแค่3เหล่าคือใต้น้ําปลิ่มน้ําพน้นน้ํานี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนกันมาหรือการอุทิศบุญกุศลพระองค์ไม่เคยสอนเรื่องการกรวดน้ําเลย เราก็มากรวดน้ำกันแต่พระองค์เนี่ยบอกให้เตรียมจิตให้ปราศจากอากุศลเราทุกคนต้องเตรียมจิตไม่ใช่ไปวิ่งเตรียมน้ำเตรียมแก้วนี่คือสิ่งที่คนมันแต่งใหม่คิดว่าตนเองฉลาดกว่าพระาศาสดาคิดว่าเป็นอุบายวิธีที่ดีคิดว่าพระาศาสดาขาดสติหลงลืมลืมบอกวิธีนี้ไว้ฉลาดไม่พอ ว่าวิธีนี้ดีกว่ากลายเป็นดูถูกศาสดาตัวเอง <c oughs> นะดังนั้นอะไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้นะขอให้พุทธบริษัทมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์บอกว่าความเป็นโสดาบันเนี่ยจะไม่มีสมณนะนะเทพเทวดามารพรมใดๆ ชักจูงความเห็นของโสดาบันนะไปเป็นอย่างอื่นได้ไม่มีสมณ ะ, ะเหล่าใดที่จะดึงศรัท ธ, ธาของพระโสดาบันให้ไปศรัท ธ, ธาเขาได้ไม่มีเทพใดๆไม่มีพรหมใดๆที่จะชักจูงความเห็นของโสดาบันให้ไปศรัท ธ, ธาเทพองค์นั้นนะพรหมองค์นี้แต่เขาจะมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นคือความเลื่อมใสอันอยางลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าแตนะ่เดี๋ยวนี้ถ้าเราสังเกตดูตามวัดต่างๆก็จะมีพวกเทพต่างๆเข้าไปปรากฏอยู่ในวัดเต็มไปหมดกลนะายว่าเป็นพระเองลูกศิษย์ตถาคตเองนะเริ่มเสื่อมคลายจากความศรัทธาในพระตถาคตเองนะเริ่มหวั่นไหวคิดว่าคนอื่นดีกว่าเก่งกว่านะบูชาคนอื่นแล้ว จะได้ความเป็นมงคลนะแต่ความเป็นมงคลในสิ่งที่พระตาตาคตบอกไว้นั้นคือการฝึกกายวาจาจิตตามหนทางอริมักเ ม, มืองแไม่ได้เป็นการบูชาหรืออ้อนบอนซึ่งพระตตาคตบอกว่าถ้าการอ้อนบอนแล้วได้ประสบผลใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนบอนเป็นหมดเลยนะ แต่ไม่ได้สร้างเหตุหรือไปสร้างเหตุปัจจัยผิดนะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ํามันนะพระองค์บอกว่าบุรุษคนนี้ก็เอ า, มาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในลานปะพรมน้ําแล้วเอามือคั้นบุรุษคนนี้ปรารถนาน้ํามันขนาดไหนก็ไม่ได้แต่ถ้าบุรุษเอ า, มาเมล็ดงา ม, มาเกลี่ยลงในลานปะพรมน้ําแล้วเอามือคั้นนะเขาก็จะได้น้ํามันตราบใดที่มือเขายังคั้นอยู่ถึงเขาไม่ปรารถนาเขาก็ต้องได้ ถึงเข้าปรารถนาเขาก็ได้เพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องดังนั้นเหตุปัจจัย <c oughs> ของความเจริญทางโลกนะความรุ่นเริงในเรื่องเกติยศนะความมีชื่อเสียงความสูงสักไม่ได้เกิดจากการบนบาลสารกล่าวนะไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนชื่อสกุลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนสีรด นะเปลี่ยนสีบ้านเปลี่ยนประตูปรับต้นไม้อะไรนะไม่ได้เกิดจากการไปนอนในโรงนะบางสกุลเป็นบางสกุลตายหรือไม่ได้เกิดจากการเอาน้ํามาพรมเอาน้ํามาลดหรืออินเดียก็เดินลงแม่น้ําทั้งแม่น้ําเลยเปียกทั้งตัวเดินขึ้นมาบางลัทธิก็เดินลงสู่น้ําในเวลาเช้าของวันเย็นสรอบซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เคยทํำมาแล้ว ทำความเพียรในการเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะของไทยก็เพียรลดน้ำมนต์เช้ากลางวันเย็นเอาไหมนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะพิธีกรรมต่างๆที่ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยความเห็นของนะคนบอดไร้จักสุนะซึ่งไม่ได้ใช่ซึ่งไม่ใช่เป็นคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา และพิธีกรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็บัญญัติห้ามภิกษุกระทํำนะในทุกกรณนะีบัญญัติไว้ในเรื่องของสัมปันนศีลาภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นอย่างไรศีลของพระจะมีสามกลุ่มกลุ่มแรกคือสัมปันนศีลากลุ่มที่สองสั ม, มปันนปาติโมกาปาติโมกาสังวรสังวุตากลุ่มที่สอาจารโคจารสัมปนาการถึงพร้อมด้วยมลย่าและโคจร ซึ่งมีมากกว่า1940้อยิบข้อนะสินของพระศิกขาบทมีมากถึง2400กว่าข้อดังนะนั้นข้อมูลที่เราเคยได้ยินว่า227ก็ผิดพลาดคาดเคลื่อนอีกแล้วนะสินของพระมีมากถึง2400กว่าข้อและต้องรักษาทั้งหมดนะดังนั้นถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกจริงๆนะที่เป็นพุทธวจนะ เราก็จะได้เห็นข้อมูลนี้ทั้งหมดแต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ถูกนํามาเปิดเผยจาแนกแจกแจงนะ พ, ะพอพราไม่ยอมเข้าไปศึกษานะพราที่ศึกษาพระตาวิโดก็ไปศึกษาในคําที่แต่งขึ้นใหม่ไม่ได้ศึกษาในส่วนที่เป็นพุทธประชนะก็เลยผิดพลาดคาดขึ้นไปอีกตกลงแล้วคําพระศัสดาไม่มีใครศึกษา น, น้อยมากนะวันนี้อันนี้จึงเป็นเหตุ ที่มาที่ไปของการเผยแผ่พุทธวจนะว่าทําไมเราจะต้องประกาศพุทธวจนะประกาศคําสอนของตถาคตโดยตรงถ้าเราไม่กล้าที่จะพูดคําพระศาสดาของเราศาสนาจะถูกบิดเบือนไปตามความเห็นของคนยุคหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจนเราจะไม่สามารถหาแก่นแท้ในคําสอนของพระศาสนาได้ เมื่อวัดนี้วัดนี้วัดนี้ทำไม่เหมือนกันโยมไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินว่าวัดไหนทําถูกพระรูปไหนทําถูกหรือทําผิดพระองค์วางหลักมหาประเทศสีเอาไว้ว่าถ้าภิกษุใดสอนแล้วก็อ้างว่าเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระรูปนี้ก็อ้างว่าเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านะแล้วเกิดไม่เหมือนกันพระเจ้าบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงกัดคาน จำให้ดีนะเขาพูดว่าอย่างไงนะแล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนเวลาคนอ้างเนี่ยผู้เจ้าบอกเขาจะอ้าง4ี่อย่าง 1. อ้างว่าจํามาต่อนหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า 2. อ, อ้างว่าจํามาจากคณะพระเทระอาวัตรนันอาวาดนี้นาานนะมีคณะพระเทระบวชนานสิปีขึ้นไปวัดนั้นวัดนี้นี่พูดว่าอย่างนี้ 3. เขาจะอ้างว่าจํามาจากคณะพระเถระผู้ผู้หูสูตรอาวาสนั้นอาวาสนี้คณะพระเถระวัดนี้เป็นผู้หูสูตรเก่งมากเลยนะเขาจํามาจากคณะพระวัดนี้อย่างที่4เขาจะอ้างว่าจํามาจากภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้หูสูตรอาวาสนั้นอาวาสนี้นี่คือสี่ข้ออ้างพุทธเจ้าบอกอย่ารับรองอย่าคัดค้านยังไม่ปฏิเสธยังไม่ยอมรับจําให้ดีเขาสอนอะไรเขาพูดอะไร แล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้นะการกระทํานั้นคํานั้นเนี่ยชื่อว่าเขาได้จํามาถูกจํามานะพระเนี่ยจำมาไม่ได้มาบัญญัติเองนะแสดงว่าเขาจํามาถูกต้องให้เธอพึงรับเอาไว้แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลง ก, กันไม่ได้กับคําของตถาคตเนี่ยนะให้เธอพึงสันนิษฐานว่านั่นไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอน ภิกษุลูกนั้นเนี่ยจมาผิดให้เธอทำอย่างไรให้ละทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียหลักการในการตรวจสอบความถูกต้องของคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านะดังนั้นจะเป็นพิธีกรรมใดๆคำสอนใดๆก็ตามช่วยกลับมาตรวจสอบในพุทธวจนะด้วยนะซึ่งวันนี้ก็ได้แจกพุทธวจนะในส่วนของความเป็นคารวะชั้นเลิศให้กับพวกเรา ว่าจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างเนะช่นคารวะชั้นเลิศ4อย่างนะทํา4ประการเนี่ยหหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัด2ทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนํา3แบ่งปันโพวกัพย์บำเป็นบุญ 4. ไม่กําหนัดไม่โม้เมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสละดตอบริโภคโพทกกุศ์เหล่านั้นย่อมจะมีรถมีบ้านมีอะไรก็มีได้แต่มีด้วยความไม่ลุ่มหลงกับมันนะ มีด้วยปัญญาเห็นโทษนะว่ามันมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานะอย่างนี้สีฐานานี้ชื่อว่าคารวาชันเลิศเลยดังนั้นความเจริญนะในด้านกิจนะการงานนะทั้งนะในทางโลกนะทั้งด้านชื่อเสียงเกียรติยศนะความสมศักดินะ์ทรัพย์สินเงินทองต่างๆ เหตุปัจจัยนั้นคืออะไรผู้เจ้าบอกให้กระทํา4อย่าง 1. ให้เธอเป็นผู้บริบูรณ์ในศีนาลคารวะาก็คือศีล5้านั่นเองนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาข้อที่2เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าให้เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานไม่เหินห่างจากฌานทําอย่างไรนะเมื่อสักครู่นี้เราได้กระทําไปคือนั่งรูลง้ลมหายใจเข้าออก ที่พระตถาคตตรัสว่าถ้าภิกษุเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้นิดเดียวเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานการไม่ห่างจากฌานทําแค่นี้แค่รู้ลมหายใจแค่ชั่วรับนิ้วมือก็ได้แล้วเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานปฏิบัติตามคําสอนของพระสัสดาปฏิบัติตามโอวานไม่สันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปลาย ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่า <c oughs> ยิ่งมากยิ่งดนะีแต่น้อยๆขอแค่ชั่วรับนิ้อเดียวนี่คือการสร้างเหตุปัจจัยอย่างที่สองการสร้างเหตุปัจจัยอย่างที่3คือพระองค์บอกว่าให้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนานะวิปัสนาญาญญาญคือความรูนะ้เป็นปัญญาที่เห็นการเกิดขึ้นและการดับไป ยมบอกมันเกี่ยวอะไรกับความรวยนะนะมันจะทำให้เกิดจิตที่วางเป็นอุเบกขาเปน็นกลางกลไม่ยึดมั่นไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งนะจะทำให้เกิดการไข้ควรพิจารณาจิตคิดปรุงแต่งมาแล้วเนี่ยไม่เชื่อเลยทีเดียวใครพูดนิมทาเรามาแล้วเราไม่เชื่อเลยทีเดียววางเป็นความไม่เที่ยงไว้ก่อนใครสรรเสริญมาเขาจะมาล่อลอกเราเราก็วางเป็น ก, นกลางาไว้ไอ้นี่อาจจะ นะเป็นยาพิษเคลือบตัวน้าตาลก็ได้นะต้องวางเป็นกลางๆไว้อันนี้จังไว้ก่อนนะซึ่งผู้เจ้าสอนว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่นะด้วยการคิดเพียงเท่านี้เนี่ยคือวิปัสนาญาณนะมีปัญญาแล้วนี่คือเหตุปัจจัยอย่างที่3อย่างที่4ี่พระองค์บอกว่าให้สุญญาคาะวัดงอกงาม ก็คืออยู่เรือนว่างนะอยู่โคนไม้นะอยู่กลางแจ้งนะท้องถ้ำเชื้อเงมผาป่าช้าป่าชัดนะนะอันนี้เป็นสถานที่วิเวกนะให้เราเนี่ยวิเวกหลีกเล้นบ้างนี่คือเหตุปัจจัยประการที่4ดังนั้นใครสร้างเหตุปัจจัย4อย่างนะหนึ่งเป็นผู้บริบุร์ในศีลไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคลวัตเงาอกลาง ผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จหมดนะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะยอมรองกระทําให้จริงๆจังๆจะเห็นว่าชีวิตมันจะราบลื่นไปเองอุปสรรคจะน้อยอุปสรรคมีก็แก้ไขได้ง่ายลุ่ร่วงมีคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเหตุปัจจัยนี้เข้ามาทำให้มันรุ่่วงแก้ไขไปได้นะ <c oughs> และยังสอนรับกับที่พระองค์ตรัสไว้ว่า กรรมคือการกระทำที่จะส่งผลในปัจจุบันนั้นคือการทําสมาธิ8ระดับนะตั้งแต่ปฐมฌานทตาตตาุติยฌานตะติยฌานจตุตฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนะใครมาจเจริญสมาธิ8ระดับนี้ขั้นใดขั้นหนึ่งนี้จะเป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมทันทนะีดังนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปกระทําพิธีกรรมใดๆนะ ภายนอกจากศาสนานีน้พุทธบริษัทเราต้องมีความมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพระองค์บอกเหตุปัจจัยนี้สร้างแล้วจเจริญแน่นอนทั้งโลกจเจริญทางธรรมแน่นอ น, นคนเราจเจริญทั้งสองทางได้ทั้งทางโลกและทางทาธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยสัตว์สีเท้า ขณะเดียวกันก็เจริญด้วยศรัทธามีศรัทธาในตถาคตเจริญด้วยการสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังธรรมมากเจริญด้วยศีล น, นะมีกายวาจาที่ดีอยู่ในกรอบศีลห้าเจริญด้วยจาระการเสื่สละเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้นี่เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้นี่จะะให้ได้ยินพุทธวจนะที่ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องความเจริญทางโลก นะและทางธรรมซึ่งบางคนบอกว่าโอ้ผู้เจ้าสอนแต่หลุดพ้นนะไม่ได้สอนเรื่องเจริญทางโลกหรอกต้องไปดูหมอหมอกนนี้บอกจะเจริญทางโลกอย่างนี้นะต้องไปเทพงนี้บนะูชาอันนี้เขาบอกทางโลกจะเจริญผู้เจ้าสอนแต่หลุดพ้นนะเดี๋ยวทางโลกไม่เจริญเข้าใจผิดหมดเลยนะ <c oughs> เพระศาสดาของเราเนี่ยย้อนดูอดีตของพระองค์ไป91กับ กับห น, นานขนาดไหนกับหนึ่งเนี่ยผู้เจ้าเปรียบเหมือนภูเขาหินแท่งทึกยาว16กิโลกว้าง16กิโลสูง16กิโล100ปีมีบุตรเอาผ้าจากเมืองกาสีมาลูปไปทีหนึ่งทําอย่างนี้ทุกๆุกร้อยปีจนกระทั่งภูเขาหินแท่งทึกเนี่ยมันลาบไปผู้เจ้าบอกนี่ยังไม่ถึงกับหนึ่งเลยดัยงนั้นพระองค์ย้อนไปเก้กับนานขนาดไหนพระองค์ไม่เคยตกต่ําเลยในการเกิด นี่คือความเป็นสัพพัญญูของพระองค์แล้วพระองค์ก็พิณาว่าทำไมพระองค์จึงไม่ตกต่ําเกิดเป็นเทวดาก็าเป็นจอรแห่งเทวดาเกิดเป็นพรมก็เป็นมหาพรหมเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เอ้พร์สร้างเหตุปัจจัยอะไรนะจำไว้3อย่างพระองค์พิณาด้วยภูมิปัญญาของความเป็นสัพพัญญูแล้วเห็นว่าพระองค์มีการกระทํากรรม3มอย่างหนึ่งจะฆ่าทานคือการให้ 2. ธรรมะความ่มใจสสัญญ ะ, ะความสำรวมระวังทานการให้เรารู้จักอยู่แล้วนอกจากเป็นการให้แบ่งปันวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองแล้วทานการให้ยังมีในแง่มุมอื่นอีก mm hmm. เช่นว่าการรักษาสินก็เป็นมหาทานชั้นเลิศเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเป็นอภัยทานเวลทานอภัยประชาทาน ในข้อที่2การไม่ลักทรัพย์เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณนะดังนั้นร่วงจึงบัญญัติสิน5้าเนี่ยเป็นมหาทานชั้นเลิศ น, นะนี่คือเรื่องของทานธรรมะความข่มใจเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทนะเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อคำหยาบโก o ok, er, หกสอเสีเราจะไม่ทําเห็นเขาทําอกุศลอะไรเราจะไม่ทําจะข่มใจเอาไว้นะ เพราะไอ้เรื่องกิเลสนี่เห็นคนทามันก็อยากทำเหมือนกันานะแต่เราจะต้องข่มใจอย่างที่3สัญญาณความสำรวมระวังจิตมันชอบที่จะฟุ้งไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไปสู่อารมณ์ต่างๆให้สำรวมไว้นะสำรวมจิตอยู่กับกายเขาไว้ลมหายใจเข้าออกการเคลื่อนไหวรีบทของเรานะหรือสติอธิษฐานการงานรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันรนะอบกว้างแคบต่างกันรอบการงานก็กว้างหน่อย รู้ลมหายใจก็กระชับขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะดัะนั้นให้เรารู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกตั้งไว้ซึ่งกายยตาสตนะินี่คือเหตุปัจจัยสามอย่างที่ยมจะไม่ตกต่ำเลยไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใดๆดนะังนั้นให้ทราบว่าใครเป็นสัพพัญญูที่แท้จริงใครเป็นผู้รู้โลกทั้งปวง นะอย่างแจ้งแจ้งและกระทั่งที่สุดก็คือสอนเรื่องความไม่ตายนะซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่พระเจ้าเกิดมาเพื่อสอนเรื่องนี้โดยตรงว่าทอยังไงจะไม่ตายไม่ต้องตายต่อไปเนี่ยทำยังไงนะซึ่งพระองค์ก็มามองว่าความตายเกิดเพราะอะไรนะความตายเกิดเพราะเหตุคือการเกิดองค์ก็พิจารณาว่าทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุฝนะนตกก็เพราะว่ามันมีเมฆ แดดมีได้เพราะมันมีดวงอาทิตย์เหตุปัจจัยถ้าเราเข้าไปดับที่เหตุนะั้นเนี่ยผลมันจะไม่มีดังนั้นพระองค์ก็พิจารณาว่าความตายเกิดจากเหตุคือชาติการเกิดและชาติเกิดจากเหตุคือพบสถานที่เกิดพระธราคตจึงบอกว่าถ้าเราดับพบได้ที่เกิดของจิตหรือดับชาติคือการเจริญงอกงามไปบูณ์ของจิตในพบนั้นได้เนี่ยความตายจะไม่มี ดังนันเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้นธรรมารจึงนําพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องการละพบคือสถานที่เกิดของจิตจิตไปสร้างการเกิดคือไปรับรู้อารมณ์แดงอารมณ์หนึ่งปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าจึงให้ละนันทิดับพบนั่นเลยทันทีพบจะดับไปเร็วที่สุดเพราะถ้าพบไม่ดับปุ๊บเราไม่ละมันจะตามมาด้วยชาติคือการที่จิตผูกติด กับอารมณ์เลวยอำนาแห่งความเพลินเรียกว่าชาติจิตผูกติดกับอารมณ์ไปแ ล, ล้วเพลินไปกว่าจะรู้ตัวปุ๊บดึงกลับมาลงเพลินไปยาวแล้วพบชาติผูกติดไปชาาราามาแล้วะตัดจิตไปสร้างการเกิดใหม่อีกเกิดพบอีกเกิดชาติผูกติดกับอารมณ์ไปชาลาามรณนะนี่เป็นวงจรของจิตที่เรียกว่าสังสารวัต <c oughs> ดังนั้นขณะที่เรานั่งอยู่ณนะวันนี้ จิตก็สร้างพบชาติชราโมนะพบชาติชราโมนะอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปร่างมันตายอย่างเดียวยมันเป็นการตายของจิตเป็นการตายของอารมณ์เป็นการตายของขันดัง5้ซึ่งเกิดตายอยู่ตลอดเวลาขณะที่รูปยังไม่แตกดับแต่วิญญาณที่เข้ามารู้รูป ก, ก็ดับไปเกิดในอารมณ์ต่างๆอีก3ามอารมณ์เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยนะดังนั้นพบเกิดตลอด ส่วนใหญ่คนคิดว่าภพชาติคือการแตกทําลายของรูปร่างอย่างเดียวแต่มันมีนมามธรรมอีกสีตัวที่เป็นความเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาของเราตัวตวนของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่นะยังอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นของเราดังนั้นภพชาติเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายแตกทําลายนี่มันแตกทําลายแค่ขันขันเดียวยังเหลืออีก4ี่ขันนะดังนั้นเราต้องมาทาความรู้จักกับ5ธรรมชาติ รู้จักกันนมามธรรมด้วยและต้องหยุดการเกิดของนมามธรรมด้วยนมามธรรมไปสร้างการเกิดในความรู้ใดก็ตามรีบดับให้ไหวนี่เป็นวิชาแก้ความตายนะต้องจำกันไว้ดีๆเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้เวลาใกล้จะเสียชีวิตนะีเวลานอนป่วยในโรงพยาบาลไม่มีใครช่วยเราได้ทุกคนต้องพึ่งตนเองนะี่พระเจ้าตรัสกับพระนลว่าอานน์ ในการบัดนี้ก็ดีในการลงแปลงเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ไม่มีใครพึ่งกันและกันได้นะเป็นภัยที่พระเจ้าตรัสว่าแม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ภัยคือความแก่ความเจ็บความตายแม่ตายแทนลูกไม่ได้แม่เจ็บแทนลูกไม่ได้ ลูกก็แก่แทนเจ็บแทนตายแทนแม่ไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ต้องช่วยเหลือตัวเองดังนั้นนี่คือวิธีการช่วยตนเองให้รอดจากความตายให้ได้วางจิตอยู่กับกายจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะไม่ต้องไปนึกเรื่องเรื่องบุญเรื่องกุศลทำความดีแล้วไม่ต้องอย่าให้จิตไปสร้างการเกิดหยุดปรุงแต่งทันทีเวลาใกล้จะตายแล้วหยุดปรุงแต่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกแค่นี้พอ การที่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้ผู้เจ้าบอกว่านี้คือกองกุศลที่แท้จริงนะกุศลาสีที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสีนะอกุศลที่แท้จริงคือนิวรหะต้องหยุดฟุ้งซ่านกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยกะตาสติจเจริญอาณาปานาสติอาณาปานาสติก็คือสติปัฏฐานสีอันเดียวกันก็คือกายยกะตาสีอันเดียวกันอีกดังนั้นง่ายที่สุดคือกลับมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออก อยู่จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเลยพระเจ้าให้วางจิตอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปะชัญญะรอคอยการทํากาละคือรอคอยการตายนั่นเองนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายเห็นไหมพระเจ้าบอกวิธีแก้ไปแล้วนะพระเจ้าบอกสารณะของเราเนี่ยเราได้ทําไปแล้วนะพวกเธอเนี่ยสร้างสารณะตนเองแล้วหรือยัง ดังนั้นวิธีง่ายๆเลยโยมไม่ต้องไปปลูกพระไม่ต้องไปพึ่งเครื่องรางของขางใดๆอยู่กับลมหายใจของเราจิตเราเนี่ยสุดยอดแล้วนะวางจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกแล้วก็ให้เห็นว่าลมหายใจนะก็ไม่เที่ยงจิตที่ดูลมก็ไม่เที่ยงอะไรๆในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงวางความพอใจในโลกทั้งปวงไปซะนะถ้าไม่หลุดพ้นเป็นพระอรหันยังเหลือความเพลินพิตหน่อย ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลเป็นพระอริบุคคลขั้นพระอนาคามียนะดังนั้นการวางจิตอยู่กับกายจึงมีประโยชน์มากพระองค์จึงบอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะอมตะแปลว่าความไม่ตายดังนั้นใครบริโภคคือเอาจิตตั้งอยู่กับกายคนคนนั้นกำลังได้ออมตะคือนิพพาน และคนคนนั้นกำลังเรียกว่าเพียนเผากิเลสยมอยากเผากิเลสใช่ไหมรู้ลมหายใจเข้าไว้แค่นี้เองเผากิเลสยังไงจิตมันอยากไปสร้างภพเเรียกว่าภาวะตัณหาภาวะคือภพตัณหาในการสร้างภพนะจิตยอยากออกไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราเผามันนะเผาความอยากเอามาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่กิเลสถูกเผาอยู่ตลอดเวลาเลยผู้เจ้าจึงตัดว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาขีเลห์เห็นนะเขากําลังเพียรเผาขีเลหแล้วอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะและเมื่อสุดท้ายเนี่ยพอกายแตกทําลายพระพุทธเจ้าบอกว่าวิญ ญ, ญาณขันจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้นี่เป็นเทคนิควิธีที่ผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยคิดค้นและเข้าไปเห็นเข้าไปรู้จึงพยายามเนี่ยบรรยายออกมาบรรยายออกมาเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็นำไปฝึกฝนดังนั้นโยมจะปฏิบัติธรรมง่ายๆนะรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเอาจิตอยู่กับกายถ้าทำงานให้ตั้งใจทางาน เพราะองค์เรียกสติอธิษฐานการงานเป็นอนุสติิฐานที่6ที่ตรัดไว้กับพระอานนท์เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเหมือนกันนะถ้าเราทำงานให้ตั้งใจทำงานใจจดจ่ออยู่กับงานถ้าไม่ได้ทำงานนะแล้วกําลังเดินอยู่ก็ให้รู้ตามการเคลื่อนไหวรีบดรู้การเดินนะรู้การก้าวไปแต่ละก้าวใจอยู่ตรงนี้ณนะปัจจุบันจิตเคลื่อนออกไปปุ๊บดึงจิตกลับมาที่กาย ถ้าไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆรู้ลมหายใจเข้าไว้หลักการแค่นี้ไม่ซับซ้อนอะไรจิตเคลื่อนออกไปรักความเปริ่นเอาจิตกลับมาที่ลมหายใจความเร็วในการดึงจิตกลับมาวันเวลาผ่านไปที่เราฝึกมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นจิตเคยหลุดไป5นาที10นาทีมันจะลดลงเหลือ2นาที3นาทีเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งใครสามารถดึงกลับมาได้เร็วดุจกระพริบตา หลุดไปปุ๊บกกระพิบตาเดียวกลับมาได้พระตถ า, าคตตรัสว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่พระองค์ตรัสว่าพิกสุทธ์ทั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุทธินั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพิบตาของคนอุเบขาอย่างคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริวินัยนีน <c oughs> เรียกว่า ชีวิต น, นี้เอาแค่นี้ก่อนเอาให้ได้ C, อ NC นทราะนาชั้นเลย น, นะจิตหลุดปุ๊บนี่กระพริบตาเดียวกลับมาให้ได้นะแล้วค่อยรู้ลมหายใจเข้าไว้ดังนั้นวันวันหนึน่งเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเพราะเราจเจริญอนาปาณสติไม่มีใครมองเห็นว่าใจเราไหลยอยู่กับลมหายใจนะดังนั้นความบางคนกลัวเดี๋ยวเกิดการแปลกแยกในสังคมบอกไม่ต้องกลัวนะ เราจเจริญอานาปานสติไม่มีใครรู้ว่าเราปฏิบัติทำเราคอยทิ้งความคิดอับุษลนอยู่เรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าเราทิ้งความคิดอับุษจนเรากําลังจเจริญสัมมาสังกังปปะนะเรากําลังให้อภัยเขานะเรากําลังมีเมตตาเขาเรากําลังไม่ผูกพยาบาทกับเขาไม่เบียดเบียนกับเขาเราทําได้ด้วยตัวเราเองนะถ้าทุกคนทําอย่างนี้ในสังคมสังคมมีความสุขแน่นอนมันจะไม่เกิดการเบียดเบียนกันขึ้น และเราก็สามารถเข้าถึงความไม่ตายได้ด้วยนะ <c oughs> อันนี้คือเหตุปัจจัยนะจึงอยากบอกเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะดังนั้นการแก้กรรมนี่แนะพร่หลายกันมากนะเดี๋ยวนี้ก็น่าเป็นห่วงว่ามันกำลังเดินหน้าไปในขนทางที่ผิดปิ ด, ปดนะซึ่งก็เป็นทั้ง คนในทุกๆระดับนะชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงนะมีหมดนะเพราะว่าตราบใจที่เป็นมนุษย์นะเจ้าก็เรียกว่ายังเป็นสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นนะมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นแต่พวกเราก็นับว่าโชคดีนะได้มีโอกาสมาได้สดับในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านะนะก็จะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมานะเพราะนั้น พระเนี่ยมีหน้าที่ถ่ายทอดคําของพระตถ า, าคตพระทุกรูปนะถ้ามีใครถามว่าพวกท่านเป็นใครพระเจ้าให้ตอบว่าเราคือสมณะศักยะบุตติยะบุตติยะก็คือบุตรบุตรของสมณะคือนักบวชในศักยะตระกูลเราเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะในศักยะตระกูลจะต้องเป็นทายาทแห่งธรรมของพระตถาคต ไม่ใช่เป็นทายาทแห่งธรรมะความเห็นของคนอื่นไม่เอาความเห็นของอื่นวางไป <c oughs> เราจะเดินตามกัลยาณวัตรวัดอันตุตงามที่พระตถาคตได้บัญญัติเอาไว้ซึ่งพระองค์ได้บอกเตือนไว้กับพระอานุนว่วาให้ระวังการขาดศูญย์ของวัดอนุตงามที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้บอกอา น, นุนความขาดศูญย์แห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายบอกอานอนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากาันรประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะนั้นเราอย่าเป็นคนสุดท้ายนะด้วยการที่ส่งต่อนะพุทธวจนะให้ กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะวันนี้พวกเราได้มากันหลากหลายก็ได้รับพุทธวจนะกันไปนะอาตมาไม่เป็นคนสุดท้ายลนะและพวกเราก็อย่าเป็นคนสุดท้ายนะจะเจ็บจะป่วยจะตายก็ยื่นไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ให้ลูกหลานกับลูกจาไวน้นี่พุทธวจนะวิธีแก้ตายเห็นไหมแม่กาลังจะป่วยจะตาย้วยนะ ลูกวิธีแก่นะลูกก็ต้องเจอเหมือนกันนะเอาไว้ซ ะ, ะลูกจะได้มีที่พึ่งมีเสาเขื่อนเสาหลักมีสราระของจิตนะครับอาจารย์ขาจะถามว่าคืองานที่พวกหนูทำอะค่ะเป็นงานที่ต้องใช้วาจาค่ะคือจะทำไงให้แบบพูดแล้วให้คนน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้คะ อ, อ๋อเรื่องของวาจาเหรอมันต้องสร้างบรารมีนะ น, ะนี่เปิดให้ดูนะใครมีอ e ีติปิตกะโหลดไว้ใน iPad iPhone ก็เปิดดูได้ใครยังไม่มีก็โหลดตอนนี้ได้น ะ, <c oughs> นะจา์ให้ฟังเรื่องวาจาเยมถามพอดีเลยแตมา กะไว้พอดีกันพ่องบอกดูก่อนพิสษจทั้งหลายก็คคำที่เรากล่าวว่าความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำคนมีปัญญาซามหารู้ไหมดังนี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลในโลกนี้สนทนาอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่ง พูดกันสองต่อสองเป็นอย่างหนึ่งพูดกันสามคนเป็นอย่างหนึ่งพูดกันมากคนเป็นอย่างหนึ่งท่านผู้นี้พูดคําหลังผิดแผกไปจากคําก่อนท่านผู้นี้มีถ้อยคําไม่บริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามีถ้อยคําบริสุทธิ์ไม่อันหนึ่งบุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนาอยู่กับผู้คน ย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างไรพูดกันสองคนสามคนมากคนก็อย่างนั้นท่านผู้นี้พูดคำหลังไม่ผิดแพกจากคำก่อนมีถ้อยคำบริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ให้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้นี้เราเกล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ดังนี้นี่เป็นมุมหนึ่งของเรื่องของการพูดเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเราคุยกันกับเขากันอย่างหนึ่งพอคุยกับหมู่มากเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคุย3ามคนเป็นอีกอย่างหนึ่งคนคนนี้วาจาพลิกไปพลิกมาความน่าเชื่อถือของคำพูดของเขาจะหมดราคาทันทีเห็นนะแต่ถ้าเราเป็นคนฝึกพูดตรง นะทุกครั้งคำพูดเราจะมีเครดิตสูงมากและชื่อเสียงเราจะขจรกระจายไปนะเจอคนนี้บอกให้คนนี้ใช้ได้เลยนะมันพูดคำไหนคำนั้นไอ้นี้ไม่พลาดนะไปทำการค้าไปทำอะไรไม่ต้องกลัวไอ้คนนี้พูดแน่นอน 100% มีคนการันตีให้เราเสร็จเห็นไะครูเจ้าบอกว่านี่อำนาจของสินย่อมฟุ้งไปขจรไปทวนลมด้วย นะเป็นกลิ่นที่ทวนลมกลิ่นของสิลเนี่ยทวนลมไปได้นะปากคนจะพูดไปพูดไปคนนี้มีสินดีคนนี้ใช้ได้เครดิต ด, ดีนะนี่จะมีคนรับรองโยมให้เสร็จเลยนะดังนั้นเราจึงต้องฝึกวาจานะการพูดเนี่ยให้ตรงให้จริง น, น ะ, ะดังนั้นสิ่ง น, นี้ได้มาจากการฝึกทั้งสิ้นและแกล้มมันก็ไม่เคยได้หรอก นะแต่ถ้าฝึกไปฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้เองแล้วมันดีเองแล้วอ น, นิสงส์ตรงนี้จะเกิดผู้เจ้าบอกอ น, นิสงส์หรือว่าวิบากของผู้ที่พูดเพ้อเจ้อสัมผักปลาปานะคืออะไรคือวาจาที่ไม่มีผู้ใดเชื่อถือโยมพูดเพ้อเจ้อมากๆเนี่ยมันสนุกก็จริงนะมันโน่นนั่นนี่ก็จริงแต่วาจายมจะไม่มีใครเชื่อถือขนาดเจราจาการค้าไอ้นี่มันพูดเล่นพูดจริงมั้เนี่ยนะ เออมันจะไม่ได้ไม่มั่นใจอ่ะคนฟังจะไม่มั่นใจนะ่ะวิบากกรรมตรงนี้จะเกิดแต่ถ้าโยมเนี่ยพูดเป๊ะเป๊ะเ ป, ป๊ะตลอดนะ่ะในชีวิตเนี่ยโอโหเครดิตคําพูดจะสูงมากพูดอะไรใครก็เชื่อนะ่ะแล้วโยมก็จะยิ่งระวังคำพูดเราเอ๊ะเราพูดอะไรไปคนเชื่อหมดเลยใช่ไหมอ่าเครดิตในคําพูดสูงมากนะ่ะนี่เป็นวิบากนะเป็นอนิสงส์ของการที่เราฝึกวาจาอย่างนี้ เห็นได้ชัดชเลยนะอันนี้ก็เลยเอากระสุนมายกให้ฟังนะอารฝึกสัมมาวาจาเนี่ฝึกแค่ดีดีการทําบุญนะคะสามารถลบล้างบาปได้หรือไม่แล้วการทําบุญวิธีไหนที่มีอานิสงส์สูงที่สุดนะคะอ๋อการทําบุญลบล้างบาปได้ไหมถ้าโยมทําบุญแค่กรรมขาวพระุทธเจ้าบอกกรรมดํามีวิบากดํามี กรรมขาวมีวิบากขาวมีถ้าโยมทาแค่กรรมขาวมันก็มีวิบากขาวนะกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีถ้าโยมทามําอย่างนี้มันก็จะสลับกันไปกันมาอย่างนี้แต่ถ้าโยมทํากรรมอย่างที่4ีคือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะทากรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือต้องมาเจริญมรรคมีงแ มักแปเนี่ยพูดยอ่อเหลือสาคือศีลสมาธิปัญญาง่ายๆหรือพูดยอ่อเหลือสองไม่อยากจำเยอะก็สมถะกับวิปัสนาจิตนิ่งเห็นเกิดดับจบแล้วแค่นี้ <c oughs> นะกรรมอันนี้เมื่อกระทำแล้วจะทำให้สิ้นกรรมทั้งหมดไปได้นะแต่ถ้ายมทำดีทั่วๆไปนะมันก็ได้รับผลดีอยู่แต่กรรมที่เหลือมันก็ยังตามมาได้ยังไม่หายไปไหน ดังนั้นในสังสารวัตเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทําดีไปได้รับผลเป็นเทวดาหมดอายุเทวดาก็ไปรับกรรมชั่วต่อผู้เจ้าจึงบอกเทวดาเมื่อทําการละแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากรกกาเนิดในฌานเปรตพิสัยและผู้เจ้าบอกเทวดาที่ตายแล้วกลับมาเป็นเทวดาเหลือนิดเดียวนะน้อยอุปมาเหมือนมนุษย์เลยมนุษย์ตายแล้วแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือนิดเดียวนะเท่ากับเศษดินที่ไปเล็บ เมื่อเทียบกับเศษดินในมหาปัฐพีโอ้โหมันกี่เปอร์เซนต์กันเทียบกันไม่ได้ห่างกันมากนะดังนั้นเทวดาตายแล้วพรมตายแล้วไปพบอื่นซะมากนะไปนรก บ, บ้างเดราัชานบ้างเปรตวิสัยบ้างนะนะเพราะนั้นให้เราเนี่ยปฏิบัติปฏิบัตมมิมรรคมิลแปลดเนี่ยควบคู่ในด้วยตลอดนะดังนั้นกรรมเนี่ยแก้ได้นะด้วยมรรคไม่มีวิธีอื่น เดี๋ยววันนี้แจกหนังสือแก้กรรมให้ด้วยจะได้เอาไปศึกษาไข่ควรกันเอาไปประพฤติปฏิบัติตามนะ <c oughs> อย่างที่พระองค์บอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล น, นไม่ได้เกิดจากผีสางนางไม้เทวดาอะไรบันดาล น, นถ้ากรรมเกิดจากเทวดาบันดาลแล้วใครบันดาลเทวดาอีกทีล่ะตัวเองบันดาลตัวเองเหรอที่ให้ไปเกิดในนรกใช่ไหม ดังนั้นสิ่งที่ตนเองทำไว้คือสิ่งที่เทวดาทำไว้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมันเป็นตัวสงผลเพราะเทวด า, าจริงก็ก็ไม่มีคือมีชั่วคราวไม่ใช่ไม่มีมนุษย์ก็มีชั่วคราวสัตว์ทั้งหลายก็มีชั่วคราวนะเพราะนั้นสังสารวัตเนี่ยทุกอย่างมีชั่วคราวหมด <c oughs> สัตวานางผู้หลงเนี่ยเข้ามายึดปิญ ญ, ญาเข้ามายึดขันท่าแล้วเกิดตายไปกับกันท พวกเราทุกคนเนี่ยมีความเป็นวิมุตติอยู่ในตัวเพียงแต่วางความหลงให้ได้ถ้าเราวางความหลงผิดได้ไม่ยึดธรรมชาติที่แก่เจ็บตายเราก็จะไม่ต้องแก่เจ็บตายต่อไปเราจะกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมคือวิมุตติยันทัศนะซึ่งมีอยู่แล้วในทุกคนเพียงแต่ใครขนขวายจะกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมหรือไม่ด้วยการเห็นโทษของสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่แก่เจ็บตายแล้วพยายามปฏเิเสธว่า น, นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไปเรื่อยๆนะ ที่สุดแล้วเราจะได้อมาตะคือความไม่ตายคือสภาวะเดิมนั้นนะซึ่งผู้เจ้าบอกมันมีคุณสมบัติเนี่ยสภาวะเดิมของเราทุกคนเนี่ยมีคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏณนะวยโยปัญญาญติเสื่อมไม่ปรากฏนทะิตตสารยตตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นสภาวะของสุญญาตาความว่างแต่มีความรู้อยู่ทุกจุดทุกอนูเลยนะเป็นความรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับนะมีอยู่ตลอดกาล สิ่งนี้แหละที่ผู้เจ้าเข้าไปค้นพบแล้วก็พยายามเปิดเผยนะจําแนกแจกแจงออกมาให้พวกเราเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่แก่เจ็บตายแล้วเข้าถึงธรรมาชาติที่ไม่ตายนะอันนี้คือแก่นคําสอนหลักคําสอนของผู้เจ้านะทั้งชีวิตของผู้เจ้าก็สอนเรื่องนี้เป็นหลักดังนั้นหนทางที่จะเข้าสู่ความไม่ตายคือการมาลุยอริสสสิอริสสสิส 4. นะโดยย่อลงก็เหลือการรู้ลงในใจเข้าออกนะทำแค่นี้ รู้ลมหายใจเห็นการเกิดดับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะก็ะ <c oughs> คิดว่าคงได้ความรู้กันไปพอสมควรเนาะสำหรับ <c oughs> สำหรับคนที่ที่รู้ว่าการอ้อสิ่งที่กระทาอยู่หรือว่าอย่างเช่นอ้อผิดศีลหรือว่าการทําอะไรเงี้ยรู้อยู่ว่าผิดแต่ก็ยังทําอยู่อย่างเงี้ยเราเรามีวิธีที่จะสามารถช่วยอะไรอย่างไงได้บ้างไหมคะจะช่วยเขาใช่หมค <c oughs> ่ะอ๋อ ก็ให้เขารู้ธรรมะของพระศาสดาให้เขารู้วิบาสของการผิดศีลเช่นการพูดโกหกเนี่ยวิบากของมันคือถูกกล่าวตู่ได้คำไม่จริงเวลาเราถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยให้รู้นี่วิบากที่เราเคยโกหกบ่อยน ะ, ะวิบากของการพูดคาหยาบจะได้ยินได้ฟังในเสียงที่ไม่น่าฟังอยู่เรื่อย วิบากของผู้ที่พูดยุยงให้เขาแตกกันจะเกิดการแตกกร้าวจากมิตรวิบากของผู้พูดเพนะ้อเจ้อคำพูดของเขาเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อถือเป็นวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือนี่วิบากอย่างเบานะแต่ถ้าทําเป็นปกติทํามากทําบ่อยนะครูเจ้าบอกจะเป็นไปเพื่อนรนกกำเ น, นดิดเดชานหรือไปวิสัยใ น, ะ อ, น, นอยู่ที่เราทํามากทําบ่อยหรือเปล่านะก็ต้อง ให้เขาศรัทธาในผู้เจ้าและให้เขารู้ข้อมูลว่าผู้เจ้าเนี่ยผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยปัญญัดว่าอย่างนี้ออกสอนอย่างนี้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแก่เธอเพราะเหตุนี้นั้นใครทําคนนั้นก็ได้รับนะโยมทําผิดอาตมาก็ไม่เกี่ยวด้วยอาตมาทําที่โยมก็ไม่เกี่ยวด้วยดังนั้นการแก้กรรมจึงต้องแก้เองไม่มีใครแก้ให้เราได้เพราะทุกคนจะต้องปฏิบัติกายวาจาจิตของตนเองที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมักมีองค ยงปฏิบัติมักแปดยมก็ได้อัตมาปฏิบัติอัตมาก็ได้ต่างคนต่างได้ใครทําใครได้นะมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นการแก้กรรมจึงไม่มีใครแก้ให้ใครได้นอกจากให้ความรู้แล้วคนคนนั้นเนี่ยนำไปฝึกหัดประพฤติปฏิบัติ <c oughs> วันนี้ผู้ใหม่คงได้รับความรู้พอสมควร ให้ฟังพระสูตรเรื่องบัวสามเหล่าสักนิดหนึ่งนะเป็นพระสูตรสั้นๆที่พระองค์ตัดว่าพระองค์เห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยตรวจดูด้วยพุทธจักขุปนะก็เห็นว่าบางพวกเนี่ยมีทุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีทุลีในดวงตามากมคือมีกิเลสน้อยบ้างมากบ้างหรือมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างคือ มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบางคนมีมากบางคนมีน้อยต่างกันในความต่างกันนั้นเนี่ยผู้เจ้าจึงเปรียบด้วยบัวสมเหล่านะหลังจากฟังคําสอนจากพระโอษฐ์ก็พระเจ้าอนุโมทนาแล้วก็หลังจากนั้นจะแจกหนังสือนะแก้กรรมกับปฐมธรรมเพิ่มเติมให้อีกสองเล่ม น, นะปฐมธรรมเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากนะรวมพุทธวจนะที่ตัดเกี่ยวกับเรื่อง าการใช้ชีวิตของคลาวาสทั่วๆไปนะจนกระทั่งถึงการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานนะเล่มนี้ปฐมธรรมนะพกใส่กระเป๋าไปนะอ่านได้ทุกวันเวลานั่งในรถตู้รถเม์นั่งในรถยนต์ก็นั่งอ่านได้นะหรือจเจริญอาณาปานสติไประหว่างนั่งรถไปทำงานกลับที่ทำงานนะอย่างน้อยได้ละ วละคึ้นชั่วโมง15นาทีอย่างนี้นะระหว่างทางเดินทางยงคิดดูสิคนที่นั่งรถเมล์รถตู้ไปทํางานมีใครนั่งจเจริญอนาปาเนี่ยสิมันคงหายากเลก็มีแต่นั่งฟุ้งซ่านนะอาณาแต่ก่อนนั่งรถเมล์กลับจากโรงเรียนแล้วก็พอเราฝึกปฏิบัติแล้วก็มองคนในรถเมล์ใครสักคนมันจ ะ, จะเจริญอนาปาเพราะว่าเนี่ยมันก็คิดฟุ้งซ่านเหมือนเราแต่ก่อนที่เราไม่รู้จักจเจริญอนาปา และพอจะเจร น, นานาปลาขนาดนั่งรถเมย์เนะี่ยถึงบ้านเร็วเร็วทักเดียวถึงแล้วนะอ่ามันง่ายนะเพราะจิตมันไม่ไม่ซัดสายไปที่อื่นน ะ, ะแต่ระวังอย่าเข้าสมาธิลึกมากเดี๋ยวเลยป้ายเดี๋ยวต้องนั่งรถเมย์ย้อนกลับมาอีกนะ <c oughs> นี่เป็นประถมธรรมนะ <c oughs> แล้วก็นี่แก้กรรมนะ จะมีพระสูตรเกี่ยวกับวิธีแก้กรรมอธิบายเรื่องกรรมไว้ทั้งหมดว่าอะไรเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมกรรมไม่เจตนาไม่มีนะเจตนาเท่านั้นเป็นกรรมนะแล้วก็วิธีแก้คือมัดมีองแปดมัดแปพูดย่อเลย3คือสินสมาธิปัญญาย่อเลย2คือสมถาวิปัสนาและง่ายๆคือสรุปลงที่อนาปาทําไมสอนอนาปาเยอะเพราะพระศาสดาสังเสริญพระองค์สอนอะไรมากเราสอนมากตามสอนอะไรน้อยเราน้อยตามคือก้าวตามพระศาสดาตรงๆ นะดังนั้นเมื่อพระองค์สรรเสริญอน า, นาปาณสีมากซึ่งพระองค์ก็ใช้เองด้วยเราก็สรรเรินมากพูดพูดมากเหมือนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดอนาปามากเราก็พูดมากตามนะนะเป็นทายาทแห่งธรรมของพระทศาคต <c oughs> เดี๋ยวตั้งใจฟังพุทธวินะธรรมวินัยจากพุทธอดข้อก้า นะโมตัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธประวัติจากพระโอ์หน้า2 2งรเรื่องทรงเห็นสัตว์ดุดด อ, อกบัวสามเหลา่าตราสแก่โพธิราชเชโกมารราชเชโกมาร ครั้งนั้นเรารู้แจ้งคำเชื้อเชิญของสหามบรีพรมแล้วและเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเราตรวจ ด, ดูโลกด้วยพุทธจักขูดแล้วเมื่อเราตรวจ ด, ดูโลกด้วยพุทธจักขูอยู่เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยบ้างมีมากบ้างผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้าง อ่อนบ้างมีอาการดีบ้างเลวบ้างอาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างและบางพวกเห็นโทษในปรารคโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีเปรียบเหมือนในหน้องบัวอุบลบัวประทุมบัวบุญทลิกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีชั้นใดราชกมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันชั้นนั้นราชกมาร ครั้งนั้นเราได้รับรองกสหามบริพรมด้วยคําว่าประตูแห่งนิพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดมีโซดประสานสัตว์เหล่านั้นจงโปร่งศรัทธาลงไปเธอดูก่อนพรหมเรารู้สึกว่ายากจึงไม่กล่าวทำอันประณีตที่เราคล่องแคล่วชํานาญ ในโมโมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ราชกกมานครั้งนั้นสหัมบริพมรู้ว่าตนเป็นผู้ได้โอกาสอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทาแล้วเพื่อแสดงธรรมจึงไหวเรากระทาประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองเอวัง อายุโตพาละโตธีโรวันนโตปฏิภาณโตสุขัสส t ทัตตาเมตตาวีสุขังโสติขาสติอายุงทัตวาพลงวันังสุขังจักปฏิภาณโตทีขายุยาสาวาหติยาธาญาตุปป a จจัติเต กาเลทัทันติสปัญญาวันยูวีตมะจารากาเลนะทินังอริเยสุขชุพูเตสุตาทิสุวิปัสสนมนาตัสสาวิปุลาโหติทากินาเยตัทธาอนุโมทันติเวยาวัจจังการติวานาเตนาทากินาโอนาเตปิปุญญสัพหกิโน ตาสามตาเทอาปาติวานจิตโยยะตาตินังมหาพลังปุญญานิปพัลโลกัสมิงปฏิท่าหุนติปานินันติ